วันนี้เป็นวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันพระเป็นวันธรรมสมานะเป็นวันฟังธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ทรง เวียกวันพระนี้ว่าเป็นวันธรรมะสวนะคือเป็นวันที่จะมีการฟังเทศฟังธรรมกันการฟังเทศฟังธรรมทรงตัดไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมะสวนาเอตามังกมามุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง มงคลแปลว่าเป็นความสุขความเจริญแก่จิตใจนั่นเองจิตใจของพวกเราทั้งหลายถ้าต้องการความสุขความเจริญเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพราะการฟังเทศฟังธรรม จะทำให้เราได้รับคุณประโยชน์อยู่5ประการด้วยกันคือหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ถ้าธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลำดแบบับส จะทำให้เกิดมีสัมมาส ม, มาทิฐิมีความเห็นที่ถูกต้องที่เรียกว่าปัญญาความรู้ความฉลาดสี่จะทำให้ความลังเลสงสัยในพระธรรมต่างๆนั้นคลี่คลายลงไปได้หายไปหมดได้และห้า จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของผู้ฟังเทศฟังธรรมแต่การที่จะฟังให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้จำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ คือร่างกายไม่ควรจะมีการเคลื่อนไหวไม่ควรมีการกระทําอะไรต่างๆควรนั่งอยู่เฉยๆเรียกว่าสงบกายสงบวาจาก็คือไม่ควรพูดคุยกันให้นั่งเฉยๆให้ให้ตั้งใจฟังเทศฟังธรรมและสงบใจก็คือให้ระงรับความคิดต่างๆ ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นต้นให้ใจมีความจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูแล้วก็ถ้ามีสติคือใจไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมก็จะเข้าสู่ใจได้ พอทำเข้าสู่ใจใจก็จะได้เกิดความรู้ขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมามเกิดความเข้าอกเข้าใจ<ม>อันนี้แหละคือการฟังเทศฟังธรรมที่เป็นมงคลจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบสงบกายสงบวาจานี้ก็คือศีลเช่น<ม><ม>ตอนนี้ญาติโยมมีศีลห้าบริบูรณ อันนี้ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเพณีไม่ได้ไปพูดปดไม่ได้ดื่มสุรายาเมามกีการจะฟังทำให้เกิดประโยชน์ได้จึงต้องมีสีนสีลก็คือกายกับวาจาที่สงบแล้วก็ต้องมีความสงบของใจที่เรียกว่าสมาธิสงบจากความคิดต่าง เราต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมะที่เรากําลังฟังอยู่ในขณะนี้คิดตามพิจารณาตามแล้วถ้าถ้าเข้าใจก็จะเกิดปัญญาเกิดสมาทิฏิซึ่งในบางครั้งอาจจะเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาก็ได้อย่างในสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมครั้งแรก ทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีที่มีศีลที่บริสุทธิ์คือกายวาจาของท่านนี้ตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลาใจของท่านก็มีสมาธิอยู่ในฌานอยู่ในอุเบกขาพอฟังเทศฟังธรรมธรรมะที่พรเจ้าทรงแสดงก็จะเข้าไปในใจของเขาทันที แล้วถ้าใจของเขามีความสามารถที่จะวิเคราะห์พิจารณาตามเหตุตามผลที่ได้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ใจของเขาก็สามารถที่จะเกิดปัญญาทำให้มีการบรรลุธรรมขึ้นมาได้อย่างพอทรงแสดงพระธรรมาจากกับประวัตนะสุขเสร็จ หนึ่งในห้าของพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้มมีดวงตาเห็นธรรมก็คือมีสัมมาทิฏฐิเห็นความเป็นจริงของธรรมของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกาย เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงแก่ความตายไปเป็นธรรมดา mm hmm. เมื่อเห็นความจริงของธรรมคือร่างกายและสิ่งต่างๆ mm hmm. ใจก็ไม่ยึดไม่ติด mm hmm. ปล่อยวางเพราะถ้าไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรา mm hmm. เวลาต้องมีการจากกัน ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่พอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปยึดไปติอย่าไปอยากให้เขาไม่จากเราไปถึงเวลาเขาจะต้องจากเราไปเราห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเป็น เป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยระดับด้วยเหตุด้วยปัจจัย <Yeah. S 1> พอเข้าใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงใจของพระอัญญาณโกนทัญญะก็ปล่อยวางปล่อยวางสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ <Yeah. S 1> พอปล่อยได้ใจก็เบาใจก็สุขใจก็สบาย เมื่อก่อนใจทุกข์ใจวิตกใจกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้แต่พอได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาพอเข้าใจหลักนี้ เพละความอยากได้ละความอยากที่เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคืออยากให้สิ่งต่างๆไม่ดับนั่นเองสิ่งไหนที่เป็นของเราที่อยู่กับเราเราจะไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ความไม่อยากให้เขาจากเราไปนี่แหละเป็นความเป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์แต่ถ้าเรามองเห็นด้วยปัญญามองเห็นตามสภาพความเป็นจริง ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วเดี๋ยจะต้องมีการดับไปไม่ช้าก็เร็วพอเห็นอย่างนี้แล้วความอยากที่จะให้ไม่ดับมันก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากให้สิ่งต่างๆไม่ดับก็จะหายไปอันนี้แหละ ส, สมัยพระพุทธการ มีการฟังธรรมและบรรลุธรรมกันอย่างรวดเร็วเพราะหนึ่งผู้แสดงธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเอาความเป็นจริงร้อยเปอร์ซถ้าเป็นทองคำก็เป็นทองคำร้อยเอร์ซเอาความจริงมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สวรโลกผู้ฟังก็เป็นผู้ฟังที่มีความสงบกายสงบวาจาและสงบใจ คือเป็นผู้ที่มีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีใจที่สงบนิ่งแล้วพอนามเอาธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงเข้ามาวิเคราะห์มาพิจารณาในใจพอเห็นความเป็นจริงตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ใจก็จะปล่อยวางละสมุทัยคือความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจ ได้อย่างง่ายดายและรวดเดียว น, นี่แหละประโยชน์ของการฟังธรรมที่สูงสุดคือจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่ฟังเลยในสมัยที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมยุคแรกๆนี้ทรงมุ่งไปสอนพวกที่มีกายวาจาใจที่สงบคือก็เป็นพวกนักบวชต่างๆ เป็นผู้ที่รักษาสิ่ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นผู้เข้าฌานเข้าสมาธิได้ทำให้ใจเขาสงบตั้งมั่นได้ตลอดเวลาแต่เขาขาดความรู้คือปัญญาคือความรู้ในอริยาาสัจสีเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบความจริง ว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากของใจเองอยากกับสิ่งต่างๆที่เป็นของไม่เที่ยงอยากให้เขาเที่ยงพอเขาไม่เที่ยงเขามีการเสื่อมมีการดับใจก็เสียใจใจก็ทุกข์ใจขึ้นมาทั้นั้นเองแต่พอได้วิเคราะห์ด้วยปัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ล้วเป็นสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับไปทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่เกิดมาแล้วไม่ดับแม้แต่ต้นไม้อะไรพวกนี้ก็โตเจริญเติบโตขึ้นมานะมันก็จะต้องในวันหนึ่งมันก็จะต้องตายแต่ของอันไดถ้ามีการเกิดแล้วจะต้องมีการดับยกไว้ของที่มีอยู่แล้วไม่เกิดมันก็จะไม่ดับของที่อยู่ในโลกนี้ที่มีอยู่แล้วที่ไม่เกิดไม่ดับก็ คือธาตุทั้งหกนั่นเองธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอวกาศสธาติและธาตุรู้นี่คือธาตุที่มีอยู่แล้วไม่เกิดไม่ดับเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ดับดินน้ำลมไฟนี้มันไม่มันไม่เกิดมันไม่ดับน้ำมันก็จะเป็นน้ำของมันอยู่อย่างนั้นดินมันก็จะเป็นดินอยู่อย่างนั้นลมก็จะเป็นลมไฟก็จะเป็นไฟ อาวากาศก็เป็นอาวากาศธาตุรู้คือใจก็เป็นธาตุรู้แต่พอธาตุทั้งหกนี้มารวมตัวกันเช่นร่างกายของเรานมนุษย์นี่มีธาตุทั้งหกมารวมตัวกันที่ร่างกายก็มีดินน้ำลมไฟและอาวากาศธาตเมื่อมารวมตัวกันก็มาทำให้เป็นอาการสามสิบสองขึ้นมา มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วก็ความว่างที่ดินน้ำลมฟานี้ตั้งอยู่แล้วก็มีธาตุรู้คือใจเข้ามาเชื่อมอีกส่วนหนึ่งที่ทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกเนื้นกายก็เลยทำให้เกิดมีร่างกายและเกิดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมา ร่างกายของเราตัวเราเนี่ยมีธาตุทั้งหกเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาแต่วันหนึ่งมันก็จะต้องแยกทางกันไปสิ่งใดที่มีการรวมตัวกันเดี๋ยวก็ต้องแยกแยกตัวออกจากกันไม่มีอะไรจะรวมกันไปได้ตลอดวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องแยกส่วนต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็แยกทางกัน ส่วนที่เป็นลมก็แยกออกไปส่วนที่เป็นไฟก็แยกออกไปส่วนที่เป็นน้ำก็แยกออกไปเหลือเพียงส่วนที่เป็นดินแล้วก็ส่วนที่เป็นใจก็แยกส่วนที่เป็นธาตุรู้ก็แยกออกไปนี่แหละคือความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่คนทั่วๆไปจะไม่รู้จะไม่เห็นกัน เพราะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นของความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้ ง, งหลายแล้วว่าเกิดมาจากอะไร<ม>ก็เกิดมาจากธาตุทั้งหกนี่<ม>เกิดมาจากธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและธาตุรู้แต่เมื่อมีมาเมื่อมีการมาเกิดแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องมีมีการ ดับมีการตายไปเป็นธรรมดาใครไปยึดไปติดไปอยากให้ไม่มีการจากกันไม่มีการตายไม่มีการดับก็จะต้องอยู่กับความทุกข์แต่คนที่เห็นความจริงแล้วก็วจะต้องมีการดับมีการแยกออกจากกาันมีการสิ้นสุดลงก็จะไม่ไปมีความอยากไม่ให้ดับไม่ให้แยกตัวออกจากกัน พอไม่มีความอยากคือใจเฉยๆมันจะไปก็ต้องให้มันไปมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปใจก็จะไม่ทุกกลับมาอันนี้แหละคือในยุคแรกๆการฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าจะส่งสอนพวกที่มีความพร้อมที่จะนำเอาธรรมนวิเศษของพระพุทธเจ้านี้ไปวิเคราะห์และนำเอาไปปฏิบัติ แก่จิตใจของเขาได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องละละความอยากต่างๆยากความอยากในสิ่งทีอ่อยากให้ในสิ่งที่ไม่เทียงนันเที่ยงอยากให้สิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ว่าเราควบคุมบังคับมันได้เพราะเมื่อเห็นด้วยปัญญาคือมรรคมรรคก็คือปัญญาเครื่องมือดับทุกข์เมื่อมรรควิเคราะห์ ตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าทุกอย่างเป็นไม่ของไม่เที่ยงเป็นของธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศถ้าไปอยากจะไปควบคุมดินฟ้าอากาศก็จะต้องผิดหวงังเพราะควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้<ม>ก็เลยหยุดความอยากที่จะไปควบคุมธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติ ใจก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปกับธรรมชาติแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาก็ไปคิดว่าไม่ใช่เป็นธรรมชาติคิดว่าสิ่งนั้นเป็นต้นไม้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่ควบคุมกันได้บังคับได้ห้ามได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันควบคุมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ามองให้ดีไม่มีอะไรที่จะไป ห้ามมันไม่ได้ห้ามให้สิ่งที่มันเกิดแล้วมันจะต้องตายไปนี้ห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้พอเห็นด้วยปัญญาคือเทศที่พระเจ้าทรงสแสดงให้ฟังทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมปปรากฏการ์ทางธรรมชาติ ไม่ได้เป็นของใครสร้างขึ้นมาหรือเป็นของใครที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดเวลาบางเวลาก็อาจจะควบคุมได้เช่นร่างกายนี้ทางนี้น่าอาจจะควบคุมบางส่วนได้เราอาจจะตัดผมได้ย้อมผมได้แต่งหน้าทาปากได้หรือทําอะไรได้ดึงหนังได้หนังที่เหี่ยวดึงให้มัน ดึงได้หนังที่มันมีผิวสีค้ามทาให้มันขาวได้แต่มันก็ทําได้ในในระดับหนึ่งเดี๋ยวถึงเวลาแล้วพอร่างกายมันแก่มากๆแล้วหนังมันเหี่ยวมากๆแล้วทําอะไรไม่ได้หรอกมันก็จะต้องเิวมันจะต้องย่นแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันจะหยุดหายใจก็ไม่มีใครไปทําให้มันไม่หยุดได้นี่คือ ความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคือเป็นธรรมชาติเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้ตลอดเวลาถ้าไปอยากแล้วจะทุกเวลาผมหงอกขึ้นมาถ้าอยากให้มันไม่หงอกก็จะทุกเวลาเกิดสิวฝ้าขึ้นมาบนใบหน้า ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้ายอมรับความจริงว่ามันต้องหอบหิวฟ้ามันต้องขึ้น<ม>ก็เห็นเป็นไรมันจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นไปห้ามมันไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศฝนจะตกแดจะออกเราก็ห้ามก็ไม่ได้เราไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องดินฟ้าอากาศกันเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามดินฟ้าอากาศไม่ได้ไปสั่งดินฟ้าอากาศไม่ได้ แต่เรายังไปหลงคิดว่าเรายังห้ามสิวฟ้าได้ยังห้ามหนังไม่ให้หย่อนได้ยังทำให้ผมไม่ขาวได้มันก็เลยทำให้เราต้องคอยวุ่นวายไปกับการคอยคอยควบคุมบังคับส่วนที่มันควบคุมบังคับไม่ได้เช่นย้อมผมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็ขาวขึ้นมาใหม่ดึงหนังให้มันตึงสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หย่อน เสียว้าหาอยู่หายาหาอะไรมาทามากินมันหายไปเหลือมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราไม่ยอมรับกันเราเลยมันต้องมาทุกข์กับร่างกายของเราที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของธรรมชาติพระเจ้าพอทรงสแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมชาติไม่ใช่เป็นของเราคนที่เข้าใจก็ปล่อยวางพอปล่อยวาง ใจก็หลุดพ้นพวกนี้หลุดพ้นบรรลุธรรมทั้งที่ยังไม่ไม่ต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ต้องไปรักษาศีลเพราะเขาทำมาแล้วนั่นเองพวกนั่งบวชทั้งหลายที่บรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมนี้เขาบรรลุธรรมได้เพราะเขารักษาศีลมาแล้วเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญสติจนจิตเขารวมเป็นอุ่ม เป็นอัปปนาสมาธิได้แล้วมีอุมีอุเบกขาแล้วหยุดความอยากได้แล้วพอพุทธเจ้าทรงสแสดงต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากเขาก็หยุดความอยากทันทีพอเขาหยุดได้เขาก็บรรลุธรรมได้นี่แหละในยุคสมัยพุทธกาลการฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะคนฟังนี่ ฟังเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันได้เลยถ้าไม่มีการฟังธรรมไม่มีการสแสดงธรรมจะไม่มีการบรรลุธรรมเลยในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนะประกาศสอนธรรมะนี้ไม่มีใครในโลกนี้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้เลย ไม่มีใครเป็นโสดาบันไม่มีใครเป็นสกิดาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์กันได้เลยเ<ม>พราะว่าไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้เป็นนั่นเองแต่พอมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีที่จะทำให้จิตใจได้บรรลุมรรคผลนิพพาน<ม>ว่าทำอย่างไรพอบรรลุแล้วรู้วิธีแล้วก็เอามาสอนสอนพวกที่ไม่รู้ ขอสอนให้เขามีให้เขาปฏิบัติศีสมาธิแล้วให้เขามีปัญญาพิจารณาวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเขาวิเคราะห์เห็นทุกอย่างเป็นวิอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็หยุดความอยากเขาได้พอหยุดความอยากเขาได้เขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เจ็บตายก็หยุดได้ เพราะเขารู้ว่าร่างกายเป็นของที่ไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเขามีอุเบกขามีอั ป, ปนาสมาธิแล้วเขาก็หยุดความอยากได้ทันทีพอหยุดได้เขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทันทีเลยบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมได้เลย เพราะเขามีศีลแล้วมีสมาธิแล้วแต่ในยุคของพวกเรานี่มันต่างกับยุคสมัยพระพุทธการต่างอยู่ที่ทั้งคนแสดงธรรมและคนฟังธรรมคนแสดงธรรมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนที่มืดบอดอยู่นั่นเองคือเป็นคนที่ยังไม่บรรลุธรรมจริงๆเพียงแต่ได้ศึกษาได้ล่าเรียนได้อ่านตำรามา แล้วก็ไปจดจำสิ่งที่ได้เรียนได้อ่านมาแล้วก็เอามาเทศมาสอนแต่ใจของตัวเองนี้ยังไม่ได้นำเอาตำราความรู้ที่ได้เรียนนี้มาปฏิบัติกับใจของเขามาหยุดความอยากต่างๆของเขา mm hmm. เขาก็เลยแสดงทำแบบผิดๆถูกๆไป mm hmm. คนฟังก็เหมือนกันคนฟังก็ยังไม่มี ศีลที่บริสุทธิ์ไม่มีจิตที่ตั้งมัน่นที่เป็นสมาธิเวลาฟังบางทีก็นั่งคุยกันบ้างบางทีก็นั่งดูมือถือไปบ้างอะไรทำนองนี้ทางานอย่างอื่นไปใจก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังไปจนมันตายก็ไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมได้เพราะนี่คือลักษณะของการฟังธรรมแบบทับพีในหม้อแกง เคยเห็นทัพพีไหมเราทัพพีใส่เปในหม้อแกงอยู่แล้วถามทัพพีว่าให้รู้ไ้ยว่าแกงนี่แกงอะไรต่อให้มันแช่อยู่ในหม้อแกงเป็นเดือนเป็นปีมันก็ไม่รู้ว่าหม้อแกงนี้เป็นแกงอะไรเป็นแกงเผ็ดแกงหวานหรือแกงจืดคนจะไม่มีวันรู้เพราะทัพพีไม่มีความสามารถที่จะไปรู้รสของแกงได้แต่ถ้าเอาลิ้นนี่ไปสัมผัสกับรสแทง ลดลดของแกงดูเพียงแม่ใจหยดเดียวลองตักแกงนี่มาแตะกับลิ้นดูนิดเดียวเท่านึงจะรู้ทันทีเลย ว, ว่าเป็นแกงอะไรแกงเผ็ดแกงหวานแกงขมหรือแกงจืดนี่ลิ้นมันจะรู้ทันทีนี่คือลักษณะของการฟังธรรมมีอยู่สองรูปแบบฟังแบบทับพีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นกับแกง สมัยพระพุทธการนี่มันเป็นการฟังแบบลิ้นกับแกงคือผู้ฟังนี้มีมีลิ้นคอยรับธรรมะที่เป็นแกงพอธรรมะของพระเจ้ามาสแสดงต่อต่อต่อหน้าเขาเขาฟังด้วยความตั้งใจร่างกายเขานั่งนิ่งวาจาเขาไม่พูดไม่คุยกันแล้วก็ใจเขาก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คิดอยู่กับเรื่องที่ทำที่พระเจ้าทรงแสดงเท้านั้นเองพ อ, อได้ฟังได้วิเคราะห์ตามที่พระเจ้าทรงสอนแล้วก็เข้าใจทันทีมรรลุธรรมขึ้นมา ท, าทันทีแต่สมัยนี้คนฟังก็ฟังแบบใจก็เลื่อนลอยกายก็บางทีก็ไม่นิ่งบางทีก็วาจาก็พูดคุยกันบางทีนั่งไปได้ปป๊บหนึ่งเดี๋ยวคันตรงนั้นก็เกาเดี๋ยวมแงวันมาหรือมี ยุงมาบินว่อนรอบบริเวณหูก็เสียสมาธิแลนะไม่ได้ตั้งใจฟังเพราะการฟังทำขาดตอนเท่านั้นน่ะก็จะฟังไม่ดูเรื่องฟังไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจ<ม>ึงไม่มีการบรรลุธรรมในยุคนี้สมัยนี้ถึงแม้ว่าจะได้ไปฟังธรรมกับพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเริ่มได้ไปฟังกับพระอริยก็ต่าง ถึงแม้ธรรมของท่านจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ร้อยเซก็ตามแต่ถ้าผู้ฟังไม่มีไม่มีศีลไม่มีสมาธินะฟังก็ไม่รู้เรื่องฟังก็จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรนี่คือลักษณะของการฟังธรรมที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลถ้าจะให้เป็นมงคลก็ต้องฟังแบบดิ้นกับแกงรู้ทุก รู้ทุกหยดของแกงที่มาสัมผัสว่าเป็นแกงชนิดใดเป็นแกงเผ็ดแกงหวานแกงขมแกงจืดรู้ทันทีแต่ถ้าเป็นทัพพีนี่ต่อให้เอาทัพพีไปแช่ไว้ในหม้อแกงนานสักเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ว่าหม้อว่าแกงนั้นเป็นแกงอะไร mm hmm. เพราะทัพพีไม่มีศักยภาพความสามารถที่จะไปรู้รสได้ mm hmm. คนที่ฟังธรรม ที่มีสักยา่าศักยาภาพที่จะรู้ได้ว่าเป็นอะไรก็คือคนที่มีกายวาจาใจที่นิ่งสงบแล้วก็มีความสามารถที่จะวิวเคราะห์เหตุและผลที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ว่าทุกเกิดจากความอยากความอยาก<ม>เกิดจากความหลงที่ไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสุขว่าจะเป็นอยู่เป็นของเราจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ แต่พอแสดงด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราถึงทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ได้ให้ความสุขเราไปตลอดต้องมีวันใดวันหนึ่งที่มันจะทำให้เราต้องทุกข์เนพอเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะทำให้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ในใจก็จะหายไปได้ นนี่คือพูดเรื่องประโยชน์ของการฟังเทศฟังธรรมที่ว่าเป็นมงคลมงคลแปล ว, ว่าความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจก็จะเจริญจากระดับของปุถุชนขึ้นไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลจากปุถุชนก็จะไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดรดาคามีพระอนาคามีและพาาระอรหันต์และความสุขของแต่ละระดับก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ความสุขของปุต si ุชนนี Ay, ้น้อยกว่าความสุขของพระโสดาบันความสุขของพระโสดาบันนี้น้อยกว่าความสุขของพระสกิดาคามีความสุขของพระสกิดาคามีน้อยกว่าความสุขของพระอนาคามีความสุขของพระอนาคามีน้อยกว่าความสุขของพระอรหันต์นี่คือความสุขความเจริญที่จะเลื่อนขึ้นไปตามลำดับผลที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรม อย่างสม่ำเสมอถ้าฟังแล้วยังไม่บรรลุธรรมก็แสดงว่าศีลของเรานี้ยังไม่บริสุทธิ์หรือสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นพอจิตเรายังไม่ตั้งมั่นไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมร้อยเปอร์เซนอยู่ฟังได้แว็บหนึ่งสองแว็บแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เผลอไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาฟังใหม่ฟังได้สักแว็บสองแว็บก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่ ฟังแบบนี้จึงไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็เลยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ <Yeah. S 1> ดังนั้นผู้ที่ฟังธทำแล้วยังไม่บรรลุธรรมก็สแสดงว่าจําเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติเพิ่มเติม <Yeah. S 1> ไปปฏิบัติสมาธิไปเจริญสติไปรักษาศีนเ <Yeah. S 1> ช่นสีนแป ต, <Yeah. S 1> ต้องไปอยู่คนเดียวไปเปรกวิเวก yeah. ไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้มาคอยควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้ด้วยสติด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายในทุกกายาบทเวลาที่มีการเคลื่อนไหว ถ้าเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวเวลามีการนั่งเฉยๆนั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือให้ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธคอยควบคุมไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจนกว่าใจจะเข้าสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมามีอยู่เบิกขาขึ้นมาเมื่อมีแล้วกลับมาฟังใหม่กลับมาอ่านใหม่ก็ได้ถ้าเคยอ่านธรรมะแล้วไม่เข้าใจ พอปฏิบัติได้สมาธิแล้วกลับมาอ่านใหม่จะเข้าใจจะสามารถทำตามที่ทำแสดงได้คือให้ละความอยากต่างๆได้พอละได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปได้ <Yes. S 1> <ม>นี่แหละทําไมพระพุทธเจ้าจึงต้องมีการกําหนดวันธรรมสวัสดิวันสั่งธรรมขึ้นมาในสมัย ก่อนนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องมีวันฟังธรรมกันเพราะว่าการจะฟังธรรมได้นี้จะต้องไปวัดกันเพราะว่าที่วัดนี้เป็นที่อยู่ของผู้ที่มีธรรมคือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นั่นเองและการจะไปวัดได้ก็ต้องมีเวลาว่างก็ต้องเป็นวันที่หยุดทำงานในสมัยพุทธกาลนี้เขาหยุดทางานกันในวันพระวันโกนแ่ในสมัย ปัจจุบันนี้เรามาเปลี่ยนใช้หลักสาคัแทนที่เราจะหยุดทํางานวันพระวันกนเราไปหยุดวันเสาร์อาทิตย์เช่นวันนี้เป็นวันพระแต่เป็นวันอังคารเป็นวันอังคารมันก็เลยเป็นวันที่ตรงกับวันทํางานของญาติโยมญาติโยมก็เลยต้องไปทํางานพอไปทํางานก็เลยไม่ได้มาฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้ายังอยากที่จะ ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนก็คือต้องฟังธรรมในวันธรรมสวนะแล้วก็เปลี่ยนวันธรรมสวนะให้ไปตรงกับวันที่เราหยุดทำงานแทนก็ได้เช่นถ้าเราหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็กาหนดวันนั้นว่าเป็นวันพระวันโกนไปแล้ววันนั้นเราก็จะไม่ต้องไปทำงานแล้วเราก็จะได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรม ถึงแม้จะไม่มาวัดก็ได้เพราะสมัยนี้เรามีเครื่องมือสื่อสารมีสื่อที่บันทึกธรรมะไว้ที่เราสามารถเปิดดูก็ได้เปิดฟังก็ได้ได้ทุกเวลาที่เราต้องการเพียงแต่สิ่งที่เราขาดก็คือเวลาที่จะมาดูมาฟังนี่ถ้าเราไม่มีวันกำหนดให้เป็นวันธรรมะสวัส พอถึงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะคิดไปเที่ยวกันหรือไปทำธุระอย่างอื่นที่เราไม่สามารถไปทำได้ในวันที่เราต้องทำงานอาจจะต้องไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้อาจจะต้องไปซื้อข้าวซื้อของไปทำอะไรต่างๆเราก็เลยสูญวันธรรมสวัไปวันพระเช่นวันนี้ก็มาวัดไม่ได้มาฟังธรรมไม่ได้พอถึงวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดทางานก็ไปทาเรื่องอื่นแทน ไม่ได้ทำงานก็ไปทำเรื่องอ่ไปชอปปิง้งไปเที่ยวกันไปหาเพื่อนหาฝูงไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้อะไรก็สุดแท้แต่ที่อยากจะทำกันวันธรรมสวระก็เลยหายไปจากใจของชาวพุทธเราเพราะว่ามันมันไม่ตรงกันทีแล้วสมัยนี้ทางทางพระสงฆ์องค์เจ้าท่านยังบปยึดวันพระอยู่ เป็นวันฟังเทศฟังธรรมเช่นวันนี้ถ้าวันนี้ใครไปวัดได้ตามวัดต่างๆจะมีการแสดงธรรมกันแต่ถ้าไปวันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะไม่มีการแสดงธรรมยกเว้นว่าเป็นวัดบางวัดเท่านั้นเองวัดบางวัดนี้จะเน้นเรื่องการแสดงธรรมจะมีการแสดงธรรมทุกวันเช่นวัดป่าส่วนใหญ่นี้ถ้าไปทําบุญที่วัดป่าใสบาตเสร็จแล้ว คิดว่าเป็นเสียงฟ้าร้องก็แล้วกันความันร้องก็ต้องรองให้มันร้องให้มันเสร็จก่นอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปวัดป่าส่วนใหญ่นี้จะมีการแสดงธรรมทุกวันถ้ามีญาติโยมไปทำบุญไปใส่บาตรหรือไปถวายอาหารพอเสร็จแล้วท่านก็จะให้ธรรม ะ, อ, ะอาจจะไม่ให้แบบยาวๆอาจจะพูดเล็กน้อยแต่ก็มีเป็นคติเตือนใจ สอนให้รู้ว่าอย่าลืมหน้าที่ของเราสิ่งที่เราต้องปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญากันอันนี้ถ้าเป็นวัดป่าจะเน้นเรื่องของการให้ธรรมะแกะ่ศรัทธายาติอย่าไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมต่างๆพิธีถวายถวายสิ่งนั้นถวายสิ่งนี้ถวายสังฆทานถวายผ้าป่าถวายอะไรต่างๆนี้ทางวัดป่าจะไม่เห็นความสำคัญ ความสําคัญอยู่ที่การศึกษาการฟังเทศฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องก็ต้องมีการศึกษาได้ยินได้ฟังก่อนว่าต้องทําอะไรบ้างเหมือนการจะไปทํากับข้าวถ้าเราไม่เคยทํากับข้าวมาก่อนเนเราจะไม่รู้ว่าจะทํากับข้าวชนิดนี้จะต้องทําอย่างไรเราต้องไปเรียนจากแม่ครัวหรือพ่อครัวที่เขาทําเป็นก่อน ถ้าจะทำแกงนี่จะต้องทำอะไรบ้างต้องมีต้องหาอะไรมาใช้เป็นเครื่องประกอบบ้างถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้แล้วถ้าจะไปทำเองโดยที่ไม่รู้นี่รับประกรันได้ว่าทำไม่ได้ทำแล้วก็ไม่น่า ก, กินกินไม่ลงเพราะว่าไม่รู้จักวิธีไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการฟังเทศฟังรร่งทำ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสุขความเจริญของจิตใจถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้วิธีพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้เจริญสูงขึ้นไปจิตใจของเรานี่ก็เป็นเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนักเรียนนักศึกษานี่เขาจะมีแม่งชั้นกันมีชั้นประถมชั้นมัธยม ชั้นอุดมศึกษาชั<ม>้นมหาหลัย<ม>เขาก็ต้องถ้าเขาอยากจะเจริญสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆเขาก็ต้องไปทำหน้าที่ของการเป็นนักเรียน<ม>ต้องเข้าโรงเรียน<ม>เริ่มต้นที่อนุบาลก่อนสมัยนี้แล้วก็สอบให้ผ่านพอผ่านเขาก็ให้ขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษา<ม>และในที่สุดก็ได้รับปริญญาได้ ใจของเราก็มีชั้นที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นไปตามลา ด, ำดำับใจของเราพพวกเราตอนนี้อยู่ชั้นไหนพวกเราอยู่ในชั้นของมนุษย์มนุษย์นี่ก็เป็นชั้นหนึ่งของใจที่เราเป็นกันอยู่มนุษย์นี่ถือว่าเป็นพวกที่อยู่ระหว่างบุญกับบาปอยู่ครึ่งๆคือจะทำบุญก็ นีก็ทําบ้างจะทําบาปก็ยังทําบ้างทําได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าตามความมนุษย์นี้จะทําบุญน้อยหรือจะทําไม่ไม่ทําเลยจะทําแต่บาปก็คือพวกเดลฉานเดรลฉานนี่เขาทําบุญไม่เป็นเขาจะมีแต่ทําบาปจิตใจขึ้นสูงลงต่ําได้ถ้าทําบาปก็จะทําให้จิตใจลงต่ํา จากมนุษย์ก็จะไปเป็นเดลขาฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกขึ้นมาแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ไม่ทําบาปได้ใจก็ยังจะเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเรายังอยากจะเป็นมนุษย์นี่ต้องรักษาศีลห้าให้ได้อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเพณีอย่าไปพูดปดอย่าไปดื่มสุราของมึนเมาต่างๆเพราะจะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายเวลาเมาแล้วนี่มัน คิดจะทำอะไรจะพูอะไรมันก็ทำได้ ท, ทันทีไม่มีการยับยั้งชั่งตรวแต่ถ้าไม่เมามีสติจะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังจะไปทําบาปไม่ดีนะก็จะห้ามใจได้เฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นมนุษย์อย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้<ม>ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้<ม>เราก็จะป้องกันไม่ให้ใจเราลงต่ำได้<ม>แต่ ตอนนี้เราใจเราไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราต้องสำรวจดูว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราทำบาปมากน้อยเพียงไรทำหรือเปล่าถ้าทำบาปก็แสดงว่าความเป็นมนุษย์ของเราก็น้อยน้อยลงไปทีละนิดมันไม่ได้น้อยแบบร้อยเอร์เซนตจากการทำบาปครั้งเดียวมันก็เหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่นี้มันก็เริ่มมีรอยรอยขีดรอยรอยขาดตรงนั้นบ้างขาดตรงนี้บ้างแต่มันไม่ได้ขาดทีเดียวทั้งตัว ใจของเราเวลาทำบาปก็มไม่ได้แสดงว่าเราจะกลายเป็นเดรัจฉานไปทีเดียวทั้งตัวทั้งใจเลยอยู่ที่ว่าเราทำมากทําน้อยถ้าทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยนั่นน่ะมันก็จะถือว่าเป็นเดรัจฉานเต็มตัวได้เห็น<ม>เราต้องสำรวจดูว่าใจของเราตอนนี้เป็นอะไรกันแน่ถึงแม้นั่งกายเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจของเรานี้อาจจะกลายเป็นอะไรไปก็ได้ จะลงต่ําก็ได้จะขึ้นสูงก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเนี่ยถ้าถ้าเราอยากจะพัฒนาให้ใจเราสูงขึ้นไม่ให้ลงต่ำขั้นแรกเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มันลงต่ําก่อนวิธีไม่ให้มันลงต่ําก็คือไม่อย่าไปทําบาปทําบาปแล้วมันลงต่ํามันไม่ได้ขึ้นสูงจากมนุษย์ก็จะกลายเป็นเลอะฉาน เ, นเป็นเปรตไป ถ้าไม่อยากจะลงต่ำก็รักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงนี้เราต้องทำอะไรพระเจ้าบอกถ้าอยากจะขึ้นสูงจากมนุษย์ก็ต้องทำบุญขั้นที่สูงกว่ามนุษย์จากมนุษย์ขึ้นไปก็คือขั้นของเทวดาของสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีแบ่งไว้หกชั้นด้วยกันสวรรค์หกชั้นมีเทวดาหหกชนิด สถิตยอยู่ในสวรรค์หกชั้นเทวดาก็คือจิตใจของพวกพวกเรานี่แหละพวกเราพอได้ทําบุญแล้วมันก็จะเริ่มยกระดับใจของเราให้ขึ้นไปขึ้นไปทีละนิดเหมือนเราเข้าไปในอาคารสูงๆแล้วเราเข้าไปในในในลิฟต์เนี่ยลิฟต์ที่เราเข้าไปแล้วพอเรากดปุ่มว่าไปชั้นหกมันก็จะพาเราขึ้นไปชั้นหกดให้ไปชั้นสิบมันก็พาเราขึ้นไปชั้นสิบใจของเราก็จะขึ้นไป ชั้นหนึ่งทงหกของสวรรค์ได้ด้วยการทําบุญทําทานในรูปแบบต่างๆการทําบุญไม่จําเป็นว่าจะต้องทําบุญกับวัดอย่างเดียวทําบุญกับพระอย่างเดียวถึงจะเป็นสวรรค์เป็นบุญทํากับใครก็ได้ทํากับพ่อแม่ก็ได้ทํากับญาติพี่น้องก็ได้ทํากับเพื่อนฝูงก็ได้ทํากับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้เช่นโรงพยาบาลโรงเรียน นึ่ง่วยกู้ภัยต่างๆหรือทํากับสัตว์เดือดฉานก็ได้ปล่อยนอกปล่อยปลาอะไรทํานองเหล่านี้เรียวกว่าเป็นการทําบุญทั้งนั้นพอเราได้ทําบุญเหล่านี้แล้วใจเราก็จะเหมือนกับได้ขึ้นลิฟต์ได้ขึ้นไปในลิฟต์ได้ขึ้นไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นอยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยทํามากก็จะขึ้นสูงทําน้อยก็จะขึ้นไม่สูงอันนี้คือ การยกระดับของจิตใจพัฒนาจิตใจเราให้มีความสุขมากขึ้นให้สูงขึ้นเพราะว่าเทวดานี้เขามีความสุขมากกว่ามนุษย์ mm hmm. แล้วก็เขาสูงกว่ามนุษย์เพราะเขามีจิตใจที่สูงนั่นเอง mm hmm. จิตใจสูงก็คือเขามีความเมตตามีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ mm hmm. เขามีมมเมตตากรุณามุิตาอุเบกขามากกว่ามนุษย์ mm hmm. เขาให้อภัยได้เวลาใครทำให้เขาโกรธเขาเขาเสียใจเขาจะให้อภัยเขาจะไม่ไปล้างแค้นไปคิดทาร้ายคนที่มาทำให้เขาเสียอกเสียใจเ ข, เขามีแต่จะให้อภัยเขาเป็นพระแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเขาไม่ได้เป็นมารคนที่ยังอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอยู่นี้เป็นพวกมารพวกที่ต้องการที่จะล้างแค้น คนที่มาทำร้ายเขาแต่ถ้าไปร้านแค้นอาคาตพยาบาทก็จะแทนที่จะเป็นเทพก็จะกลายเป็นเปกไปหรือเป็นเป็นเดรัจฉานไป<ม>เพราะว่าขาดความเมตตา<ม><ม>อันนี้คือขั้นของการยกระดับพัฒนาหรือเรียกว่ามงคลของชีวิตลองไปอ่านมงคลสาสิบปดดู พระพุทธเจ้าก็แสงสงสอนให้เราทําบุญทําทานกันในมงคลสาสิบแปดนี้มีการให้ให้ให้ทำบุญทําทานให้สงเคราะห์ให้ช่วยเหลือคนต่างๆสงเคราะห์บิดามารดาสงเคราะห์ครอบครัวลูกบุตรทิดาไม่ว่าใครก็ตามเป็นการทําบุญทั้งนั้นให้ถ้ามีการเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อนะื่นเราเป็นการทําบุญเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น มีอยู่ในมงคลสาสิบแปดนี่ลองไม่อ่านดูอันนี้เป็นการย่อมระดับจากมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับเทพแล้วจากระดับเทพนี้ก็มีระดับที่สูงกว่ามีความสุขมากกว่าระดับที่สูงกว่าระดับของเทพก็คือระดับของพรห ม, มการจะขึ้นไปสู่ระดับของพรหมด้านนี้จะต้องมีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกคือนอกจากทําบุญรักษาศีลห้าแล้ว ทีนี้ก็ตงมาเปลี่ยนจากการรักษาศีลห้ามาเป็นการรักษาศีลแปดอย่างพวกที่นุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวที่เราเห็นกันนี่เขาจะถือศีลแปดกันเพราะเขาอยากจะกยกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้ได้ความสุขของพรหมเขาเลยต้องมาถือศีลของพรหมศีลของพรหมก็คือศีลพรหมจรรย์รนยี่ศีลแปดคือศีลพรหมจรรย์ เขาจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของเขาสินข้อสในสินห้าก็จะเปลี่ยนเป็นอรรมจริยาเวรมณีจะถือสินพรหมจรรย์เพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะไปปฏิบัติจิตตภาวนานี่เพื่อที่จะยกระดับจากจากมนุษย์จากเทพให้ขึ้นไปสู่ระดับของพรม จะเป็นพรหมได้นี้ต้องถือศีลแปดให้ได้แล้วก็ต้องเข้าสมาธิให้ได้ต้องเดินจงกรมมากๆเจริญสติมากๆ เ, เพื่อหยุดความคิดต่างๆใจยหยุดความคิดได้เมื่อไหร่ใจก็จะเข้าสู่พรหมโลกได้ ท, ทันทีอันนี้คือการยกระดับของการปฏิบัติให้สูงขึ้นให้ให้จิตใจสูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้น ถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีล์ห้าได้แล้วเราก็ได้เป็นเทพแล้วแต่ถ้าเรายังไม่พอใจเราอยากจะมีความสุขมากกว่าเทพการเป็นเทพเราก็ต้องเพิ่มศีห้าเป็นศีแปแล้วเราก็ต้องไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติธรรมกันไม่มีการทำกิจกรรมอย่างอื่นมีแต่การปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเท่านั้น ต้องไปอยู่ที่เหล่านั้นแล้วเราก็จะได้สามารถจเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้จิตนิ่งสงบเป็นฌานขึ้นมาตั้งแต่ฌานขั้นที่หนึ่งถึงฌานขั้นที่แปดนี้ก็ถือว่าได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมก็มีแบ่งไว้หลายชั้นเหมือนกัน อย่างน้อยอย่างคร่าวๆก็แปดชั้นขึ้นไปตามล้ตามตา ม, ตามชั้นของฌานชั้นต่างๆได้ฌานชั้นที่หนึ่งก็ได้สวรรค์ของพรหมโลกชั้นที่หนึ่งได้ได้ฌานสองก็จะขึ้นสูงขึ้นไปฌานสามก็ยิ่งสูงขึ้นไปจนถึงฌานแปถึงนิโรธสมาบัติก็ขึ้นไปสูงสูงสุดของพรหมโลกเกิดจากการที่ได้ถือศีลแปดแล้วก็ ได้เจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิติวิเวกอยู่คนเดียว mm. คนที่จะไปพรมโลกนี้ต้องเป็นคนที่ไม่อยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร mm. เพราะถ้ายุ่งเกี่ยวกันแล้วมันจะทำให้ไปไม่ได้มันจะต้องมีความคอยคอยดูแลกันคอยห่วงใ ย, ยกัน mm. คอยวิตกคอยกังวลกัน mm. ก็ต้องตัด mm. ทุกสิ่งทุกอย่างไป ตดตาหูจะตัดรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆไปให้หมดแล้วก็ไปอยู่คนเดียวถึงแม้จะไปอยู่วัดก็ไปแยกกันอยู่วัดที่มีการปฏิบัตินี้ถึงแม้จะมีคนไปอยู่ร่วมกันเยอะแต่เวลาไปอยู่วัดจริงๆแล้วขอจะให้แยกกันอยู่จะไม่ให้มาคุกคีกันไม่ให้มาคุยกันไม่ให้มาทําอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องทำ ถ้ามีกิจจำเป็นจะต้องทำก็มีเวลาเช่นตอนเช้าก็มาช่วยกันทำเรื่องการรับประทานอาหารจะทำหน้าที่ทำอาหารหรือจะทำหน้าที่เตรียมสถานที่เตรียมช้อนชามอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่หน้าที่ของแต่ละคน แล้วเวลารับประทานอาหารก็รับประทานนุ่มกันแต่ไม่คุยกันไม่สนทนานกันต่างคนต่างมีสติให้อยู่กับการกระทำของตนเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งไปกับการพูดคุยกันอันนี้เป็นแนวทางของการปฏิบัติของผู้ที่ต้องการที่จะได้สมาธิได้ฌานได้สวรรค์ชั้นพรหมนี้จะเป็นการปฏิบัติแบบวิเวก ไม่ยุ่งเกี่ยวกันถึงแม้จะอยู่ร่วมกันก็ต่างคนต่างอยู่กันไปยกเว้นถ้ามีเหตุจำเป็นเช่นถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยเรืออะไรต้องดูแลกันนั่านี้ก็ก็จะมาดูแลกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นเป็นปัญหาทุกอย่างเป็นปกติทุกคนดูแลตัวของตัวเองได้ก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกันเพราะการเกี่ยวข้องกันมันจะต้องใช้ความคิดพอคิดแล้วมันจะฟุง้งและเวลาไปทาสมาธิมันยากต่อ การที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้การไปจะไปสวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องเป็นต้องต้องเป็นคนที่กล้าที่จะอยู่คนเดียวเป็นคนที่กล้าที่จะไม่คลุกคลีกับใครไม่ยุ่งกับใครเพราะว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวกันแล้วมันจะต้องใช้ความคิดแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะทำใจให้สงบให้สู่เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้อันนี้ก็คือการยกระดับ จากมนุษย์ขึ้นมาสู่พรหมก็คือต้องทำ ท, ทานรักษาศีลห้าก็ไปสู่เทพจากจากเทพก็ต้องรักษาศีลแปไปฝึกสตินั่งสมาธิก็จะไปสู่ชั้นของพรหมถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าชั้นของพรหมคือชั้นของพระอริยะคือพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระนาครามีพระอรหัน ทีนี้ก็จะเป็นจะต้องมีการฟังเทศฟังธรรมแนละฟังเทศที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจสีให้เราเข้าใจหลักอริยสัจสีให้รู้ว่าใจของเรานี้ที่เรายังทุกข์กันอยู่ยังติดอยู่ในลายพบกันอยู่เพราะเรายังมีความอยากถึงแม้ว่าใจเราเวลาสงบจะไม่มีความอยากกับอะไรก็ตามแต่เวลาเราออกจากสมาธิมา ใจของเราก็ยังจะเริ่มอยากเหมือนที่เคยอยากเคยอยากรูปเสียง ก, ก, ยงย ก, ยยยกลิก่นนัก็ยังอยากอยู่เคยอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ยังอยากอยู่เพราะการใช้สมาธินี้ไม่สามารถที่จะไปกำจัดความอยากได้อย่างถาวรความอยากไม่ตายด้วยกำลังของสมาธิก ค, ความอยากจะตายหายไปจากใจให้หมดสิ้นได้ต้องตายด้วยปัญญาคือการลุกความรู้ในอริยสัจส่ รู้ว่าทุกเก <ia> ิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะให้ทุกก็ต้องหยุดความอยากและถ้าจะหยุดความอยากได้ก็ต้องไปหยุดไปแก้ที่ความหลงความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นสุขความจริงแล้วถ้ามองด้วยปัญญาจะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยมทุกข์เพราะว่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ วันใดวันหนึ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปอมีการหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความทุกขขึ้นมาอันนี้คือปัญญาปัญญานี้จะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าถ้าไปปฏิบัติกับาศาสนาอื่นจะไม่มีใครสอนเรื่องอริยสัจสีเรื่องใจละจะได้แค่ขั้นสมาธิขั้นฌานเท่านั้นแต่ถ้าอยากจะได้ ขั้นหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเลยการเข้าสู่โล ก, กุตละธรรมก็คือการออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดต้องใช้ปัญญาที่มีสมาธิและมีศีลเป็นผู้สนับสนุนรือต้องปฏิบัติไล่ขั้นขึ้นมาก่อนไล่จากขั้นมนุษย์มาเป็นเทพจากขั้นเทพมาเป็นพรหม พอได้ขั้นผมแล้วทีนี้ก็เอาเอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาสอนใจเอาอริยาาสัจสี่มาสอนใจเอาตายรักมาสอนใจพอมีเห็นอริยสัจสี่เห็นตาลรักก็จะรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆที่เกิดจากความหลงที่ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของการมีว่ายตายเกิดนี้เป็นสุขนี่เอง แต่ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังหนึ่งของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปถ้าได้สวรรค์ชั้นพรหมนะไม่ได้ปฏิบัติถึงขัง้นอริยะต่อไปสวรรค์ชั้นพรหมก็จะหมดลงจิตก็จะเสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วลงมาสู่ภพของมนุษย์ใหม่เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายใหม่ก็ยังจะต้องเจ อ, อกับความทุกข์อยู่เรื่อย ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปก็ต้องไปขั้นปัญญาหลังจากที่ได้ขั้นสมาธิแล้วได้ฌานแล้วได้อุบเบกขาแล้วก็ต้องไปขั้นปัญญาไปสอนใจให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากความอยากอยากที่ไปเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็น เป็นเป็นศุขเป็นของถาวรแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นสุขเพราะมันไม่ได้เป็นของถาวรพอเห็นแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้เพราะหยุดความอยากได้ใจก็จะหมดทุกข์แล้วใจก็จะไม่มีวันที่จะกลับมากลับมาเกิดในโลกของวีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดมาทําบุญทําทานรักษาศีลเพื่อไปเป็นเทพไม่ไม่กลับมาเกิดเพื่อมาปฏิบัติ เพื่อมาถือศีลแต่นานั่งสมาธิเพื่อจะได้ไปพงแต่จะอยู่ที่นิพพานอยู่ที่การไม่มีการเกิดอยู่ที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ถูกกําจัดด้วยการปฏิบัติธรรมตามจากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมนี่ ถ้าไม่มีการฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้จะไม่รู้เรื่องอริยสัจสีจะไม่รู้เรื่องของไตรลักจะไม่รู้เรื่องของคามทุกข์ว่าเกิดจากอะไรจะไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามาจากอะไรจึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเมื่อมีการฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้ายังไม่สามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมก็แสดงว่าเรายังขาดความสงบ ใจเรายังไม่นิ่งพอใจเรายังไม่มีอุเดกขาไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องกลับไปฝึกสติฝึกสมาธิถือศีลให้มากขึ้นไปปีกวิเวกให้มากขึ้นดีไม่ดีอาจจะต้องไปปีกวิเวกอยู่จนกว่าจะบรรลุเลยคนที่เข้าบรรลุนี้ส่วนใหญ่เขาไปบวชกันบวชแล้วก็ไปอยู่ไปปฏิบัติกันเช่นดูศึกษาประวัติของหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ อะไรหลวงตามหาบูนี้ท่านเป็นนักบวชตรงนั้นท่านถึงบรรลุ ธ, ธรรมท่านถึงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องนี้ปฏิบัติแล้วก็กลับไปยุ่งกับคนนั่นคนนี้เดี๋ยวสมาธิที่ได้ก็จะหายไปถ้าไม่อยากให้สมาธิหายไปนี้ต้องไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรต้องปฏิบัติคอยรักษาคอยเพิ่มให้มันมีมากขึ้นไปตลอดเวลาแล้วเวลาเอาธรรมะ เอาปัญญาของพระเจ้ามาสอนก็นจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดได้ความทุกข์ที่เคยมีในใจก็หายไปหมดการที่จะกลับมาวินว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลงนี่แหละคือผลที่เราจะได้จากการฟังเทศฟังธรรมดังที่ในมีการมีผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมในในสมัยพระพุท ธ, ธการ ฟังแล้วบรรลุปเป็นผ้าหลานกันได้เลยทีเดียวห้าร้อยูปพร้อมๆกันเลยก็มีเพราะเขามีศีลที่บริสุทธิ์เขามีสมาธิมีจิตที่ตั้งมัน่นแล้วเขามีความสามารถที่จะเข้าใจตามคำสอนที่พระเจ้าทรงสแสดงสอนไม่ได้พอเขาเข้าใจเท่านั้นเขาก็สามารถทำตามได้ทันทีพอทำได้ผลก็ปรากฏขึ้นมาทันทีเลย นี่คือเรื่องราวของการฟังเทศสังธรรมที่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปาริกุเลนติสาขลัง เอวเมวอิโตทินังเตตาังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมชาโตสัพเเอปุเรนโตสังกปา ยันโทปะนาฬโสยทามณิโชติอาโสยทาสัพพิติโยวิวัจฉันตสัพพโรโขวินัสสตุมาเตภวตวันตราโยสุขิคาโยโกภะวะอภิวะธนศีลิสานิจังุทาปจายโน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 ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เจ้าค่ะทาง Facebook 646 YouTube พระอาจารย์221 YouTube ด o c t o r V 141วิธีวออนไลน์11คลับ House 13หน้ากุติ119รวมทั้งหมด 1,151 ท่านเจ้าค่ะ ก็อ่านได้เลยถ้ามีคำถามเลยคำถามจากแม่กุฏิเจ้าค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีเพื่อนถามโยมว่าวันพระจะมาฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์หรือเปล่าโยมตอบว่าไม่ได้มาค่ะแต่สุดท้ายถึงเวลาโยมก็มาอย่างนี้จะเรียกว่าผิดศัจจ์หรือเปล่าคะก็ตอนที่เราพูดเราก็พูดตามความเป็นจริงไม่ใช่ นี่มันเปลี่ยนได้อนาคตมันคดไปคดมาถ้าเราอยากจะพูดเพื่อไม่ให้เป็นการอาก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมาหรือไม่อาจจะไม่มาก็พูดไปให้มีให้มีข้อข้อข้ออ้างคือบอกไม่แน่นอนถ้าเราไม่มั่นใจก็บอกยังไม่รู้เลยว่าจะมาหรือไม่มาอันนี้จะจะถูกกว่าอื คำถามจากหน้ากุฏิคำถามเจ้าคะ่ะเวลาทำสมาธิแล้วจิตสงบจะมีความรู้สึกเหมือนกับหลับแล้วไม่ฝันถูกต้องหรือไม่คะก็หลับละสิก็เหมือนกับหลับมันก็หลับคือ ม, มันเวลาสงบนี้มันถ้าสติมันหมดมันก็หลับถ้ามันไม่สติไม่หมดมันก็เป็นสมาธิมันจะรู้สึกตัวเหมือนตอนที่เริ่มนั่งสมาธิตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา จากคุณลีลาวดีคําสอนให้ละกิเลสพระสงฆ์ซื้อประกันสุขภาพประกันสะสมทรัพย์ได้ไหมาเจ้าค้าแล้วคนขายประกันมีผลอย่างไรเจ้าค้าอ๋อมันเปนเรื่องที่มันน้ำสมัยเกินยุคพระพุทธเจ้าไปแล้วสมัยพุทธเจ้าไม่มีการซื้อขายประกันงันก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงจากคุณจรัญญา เราสังเกตลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆได้ไหมคะคือการสังเกตกายเราแค่ผู้รู้อาการนี้เป็นตอนตื่นนอนคะ่ะคือสังเกตลมเข้าลมออก mm hmm. เลยรู้ว่าร่างกายนี้เป็นธาตุลมเป็นหนึ่งในธาตุสี่เป็นธรรมชาติถูกต้องหรือเปล่าคะคือมันแบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันการดูเฝ้าดูร่างกายเฝ้าดูลมเฉยๆไม่คิดอะไรเรียกว่าเป็นการเจริญสติ แต่ถ้าคิดว่าเป็นธาตุมันก็เป็นปัญญานี่บางทีเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังต้องการอะไรถ้าเราต้องการสติเราก็ต้องไม่คิดไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราคิดเวลาเราไปนั่งสมาธิมันจะหยุดยากมันจะทําใจให้สงบยากเหตนถ้าเราจเจริญสติเพื่อให้เข้าสมาธิได้ง่ายต้องอย่าพึ่งไปคิดทางด้านปัญญา อยากให้รู้เฉยๆให้เข้าดูให้รู้เฉยๆไปให้หยุดความคิดต่างๆหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะคิดทางปัญญาเราก็คิดไดนะ้เพราะตอนนี้เรามีสมาธิมีสติพอที่จะปล่อยให้ใจคิดไปทางด้านปัญญาได้เพราะถ้าเรายังไม่มีสติพอตอนต้นเราอาจจะคิดทางปัญญาแต่คิดไปสักพป๊บเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องกิเลสแทนก็ได้แล้วเราจะมันจิตจะฟุ้งแล้วจะหยุดมันยาก เราต้องรู้จักแยกแยะว่าเรากำลังทาอยู่ในช่วงไหนถ้าเราอยู่ในช่วงเจริญสติก็ต้องให้รู้เฉยๆอยาคิดเพื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบง่ายแต่ถ้าเราต้องการปัญญาเราก็ดูไปแล้วคิดไปได้ว่ารา่างกายนี้กำลังเอาธาตุลมเข้าเอาธาตุลมออกเวลาดื่มน้ำก็กำลังเอาธาตุน้าเข้าเอาธาตุธาตุน้าออกเวลารับประทานอาหารก็กาลังเอาธาตุดินเข้าเป็นต้น อันนี้ก็พิจารณาได้ให้ดูให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนโรงงานผลิตอาการ32 โ, โดยอาศัยดินน้ําลมไฟที่เอาเข้าไปในร่างกายมาต่อมาต่อเติมทําให้ผมมันยาวขึ้นทําให้เล็บมันยาวขึ้นทําให้อวัยวะต่างๆยังทํางานของมันได้ตามปกติอันนี้ทั้งหมดจะพิจารณาเห็นว่ามันเป็นตายลักไปหเห็นว่ามันเป็นไม่มีตัวตนไป เป็นสภาวะธรรมเป็นอาการ32สองเป็นดินน้ำลมไฟไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาจากพุณนิรุติทำไมคนเราชอบคิดแต่เรื่องไม่สบายใจครับและจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรครับ เพราะกิเลสไงเราถูกกิเลสมันสอนให้คิดแต่ในเรื่องที่ทําให้เราทุกข์กันเราต้องมาศึกษาธรรมะธรรสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาวิธีควบคุมความคิดแล้วสอนให้มันคิดไปในทางที่เป็นธรรมคิดไปในทางที่จะทําทให้ใจไม่ทุกข์ทำให้ใจมีความสุขจากคุณพัทธพรหากทุกข์ในการรักษาโรคร้ายมากกว่าไม่รักษา ก็ไม่ควรรักษาหมายถึงต้องลองผ่าตัดดูหรือเปล่าเจ้าคะก็เราก็ต้องชั่งน้าหนักดูว่ า, าได้กับเสียอย่างไรจะมากกว่ากันได้ความเจ็บมากกว่ า, ห ร, าหรือได้น้อยกว่าจากการรักษาถ้าได้ความเจ็บมากกว่าก็อย่าไปรักษาก็ก็จะได้ไม่ต้องเจอความเจ็บถ้ารักษาก็เจอความเจ็บแล้วผลก็คือตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วเท่ากัน แต่มันก็ตายเหมือนกันอาจจะต้องเจ็บแล้วก็อาจจะตายช้าหน่อยอยู่นานหน่อยแต่ก็เจ็บนานหน่อยเรื่อกปล่อยให้มันเจ็บไปหมดจนกว่ามันจะหมดกำลังแล้วมันก็ตายไปมันก็อาจจะเร็วกว่าแต่ที่แน่นอนก็คือในที่สุดก็ต้องตายไปช่วงก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราจะเอาอยัางไงดีเราจะจะเอาความเจ็บให้มันมีไปนานๆหรือว่าจะเอาความเจ็บให้มันสั้นๆ ถ้าความเจ็บแบบสั้นๆก็ปล่อยมันปล่อยมันเป็นไปตามสภาพของมันเดี๋ยวมันก็จบถ้าเราไปรักษาอาจก็อาจจะไปยืดอายุแล้วก็ยืดความเจ็บไปด้วยอันนี้ต้องตัดสินใจเอาเองทั้งสองวิธีนี้ไม่ไ ม, ไม่บาปไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่ได้เป็นการไม่ดูแลร่างกายมันใช้เหตุผลวิเคราะห์ดูแล้วว่ามันจเยาวยังไงดี คำถามจากหน้ากุติค่ะมนุษย์ปุถุชนเวลาทุกใจจะร้องไห้พระอราหัน ร, ร้องไห้ได้ไหมคะแล้วเวลามีความทุกข์ทำอย่างไรคะก็หลงตามาบัวท่านก็ร้องไหแ้แต่ท่านไม่ได้ร้องไห้ด้วยความทุกข์ท่านร้องไห้ด้วยความสุขด้วยความปลื้มปิติจากคุณชิดชัย ถ้าเราทำบุญถือศีลจนเป็นนิสยัยถ้าเราตายไปกลับมาเกิดชาติหน้าเราก็จะทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมใช่ไหมครับจะไม่ทําบาปใช่ไหมครับก็ไม่แน่แล้วแต่เหตุการณ์นี่ครัถ้าเราเกิดไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันบีบคั้นเรามากๆจนบากทีทนไม่ไหวเราก็อาจจะไปทําบาปก็ได้ไมัน ไ, ไม่แน่นอนเสมอไปมันขึน้นอยู่กับเหตุการณ์และอยู่ที่ การทำของเราว่าเราฝังลึกในใจเรามากน้อยเค่ไหนถ้าฝังลึกจนระดับของพระอริยแล้วนี้จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดแต่ถ้ายังไม่เป็นพระอริยนี้ยังไม่แน่ยังอาจจะเปลี่ยนใจได้ขึ้นอยู่กับภาวะเหตุการณ์ต่างๆจากคุณไพโรธเราได้นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงอย่างเช่นกระรอกแล้วเขาหนีไปเราจะบาปไหมครับ ไปบาปหรอถ้าเราเลี้ยงเขาจะไปบาปยัถ้าเลี้ยงเราขังเขาจะบาปเพระไปกักขังเขาเหมือนเราเหมือนเราถ้าใครเอามาเลี้ยงเราเราขังเราอยู่ในบ้านไม่ให้เราไปไหนเราจะรู้สึกยังไงถึงมันจะเลี้ยงอย่างดีเลยให้กินอย่างดีนอนอย่างดีแต่ห้ามไปไหนให้อยู่แต่ในบ้านเนี้ยมันก็เป็นการกักขังเป็นการทรมาน เพนั้นถ้าเราอยากจะเลี้ยงเขาแบบเป็นบุญจริงๆก็เลี้ยงแบบไม่กักขังเขาเขาจะอยู่เขาจะไปเมื่อไหร่ก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องมีกรงไม่ต้องมีอะไรถ้าเขาหิวเขาอยากจะมากินก็มีข้าวให้เขากินถ้าเขาไม่อยากจะมาเขาอยากจะไปที่อื่นต่อไปก็ปล่อยให้เขาไปเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงเลี้ยงได้บุญเลี้ยงแบบไม่ได้บุญก็คือเลี้ยงแบบกักขังเขา คำถามจากคุณอ้อจันทรเวลานั่งสมาธิแล้วดวงกลมในสมาธิเราเพ่งดูแล้วหายไปมันคืออะไรคะไม่รู้จะคืออะไรนะมันก็คืออย่างที่มันเป็นเนี จากคุณน้ำชาการพิจารณากาย32ออกมาเป็นกองๆองแล้วเราพิจารณาว่าทุกอย่างจะคืนกลับสู่ธรรมชาติถ้าทั้ง4ถูกต้องหมเจ้าค้าและเราควรพิจารณาหลังจากนั่งสมาธิหรือไม่เจ้าค้ า, าการพิจารณานี้อยู่ได้ท่าไหนาก็ได้ท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนก็ได้เป็นการศึกษาให้เราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแล้วก็ปล่อยวางมันให้ได้ หมดแล้วโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไงมนะการการปฏิบัตินี้การพิจารณานี้เพื่อให้เราเห็นความไม่ไ ม, ไม่มีตัวตนในร่างกายเราเช่นผมเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นผมของเราพอเราตัดทิ้งไปแล้วมันยังเป็นของเราอยู่ว่บป่าแล้วถ้าเกิดเราผม ถ้าเราเป็นเราเวลาเราโกนผมไปเราก็ต้องหายไปกับผมใช่ไหมแต่เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เท่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ไม่เหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมหายไปนี่เราก็ตัวเราก็หายไปสิบเปอร์เซ็นมันไม่หายเพราะเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นตัวเราทุกอย่างนะตับไตอะไรก็ตามหัวใจถ้าเขาเปลี่ยนหัวใจของเราไป เอาหัวใจของคนอื่นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้หายไปหัวใจ อ, อันเก่าต่อไปถ้าเขาเปลี่ยนสมองได้จะได้พิสูจน์จริงๆว่าเอสมองนี้เป็นตัวเราหรือเปล่ารับประกันได้ว่าเอาสมองคนอื่นมาเราก็ยังเป็นเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ยังคิดเหมือนเดิมอยู่เราจะไม่เอาความคิดของคนอื่นมาคิดแทนเราอเ<ๆ>พราะว่าเราจิตมันไม่ได้อยู่ในสมองมันไม่ได้เกี่ยวสมองเป็นเพียงแต่ ส่วนที่คอยมาควบคุมร่างกายอีกทีหนึ่งนั่นเองสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนอวัยวะต่างๆของร่างกายแต่ก็มีใจผู้สั่งให้มันสั่งอีกทีหนึ่งใจสั่งให้ยกแขนสมองมันก็ถึงสั่งมันก็ส่งสัญญาณไปที่แขนให้ยกขึ้นมาสมองมีหน้าที่ประสานการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแต่ต้องรอคำสั่งคือใจเป็นผู้สั่งอีกที คำถามจากคุณตายนอนภาวนาแล้วเกิดตัวแข็งแรงหนักเป็นหินแต่ภายในเบาสบายอาการนี้คือสภาวะใดครับอย่าไปถามในสภาวะใดมันก็เป็นสภาวะที่มันเป็นอยู่นั่นแหละก็ให้รู้มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันสิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบความสบายของใจส่วนอย่างอืงอ่นมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันไปมันก็เป็นไตรักทั้งนั้นแหละเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป พออยากสมาธิมาการตัวแข็งมันก็หายไปยไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรไม่สนใจว่ามันสงบหรือไม่สงบกนั่นเองหมดแล้วเหอมีเข้ามาเจ้าค่ะเจ้ถามแล้วเกินเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นตายรักของทุกอย่างมันเป็นตายรักหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวลรู้แล้วปล่อยวางออ่เป็นบอกเล่าใช่ไค่ะใช่คำถามโอเคไม่มีแล้วเนะมีใครอยากจะถามไหมที่อยู่ในนี้ถามได้นะไม่คิดสตังเพราะจ่ายแล้ว <laughs> โอเคถ้าไม่มีคำถามก็ที่ว่าพอสมควรแก่เวลา